ใจชีวิตเราก็จมนะจมแล้วจมอีกนะบางทีจมดิ่งไปเรื่อยๆจนทงังหาทางออกไม่เจอสุดท้ายก็ตัดช่องน้อยกับแตกคอตัวหรือทำ้ายตัวเองฆนะ่าตัวตายนะต้องมีวิชานะที่จะช่วยดึงจิตดึงใจออกมานะและวิชานี้เนี่ยนะ่นะ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 วิธีคิดที่เป็นกุศลเนี่ยอย่างที่ผู้ชายคนนี้แกถุกคิดขึ้นมาว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเสียใจเนี่ยเราเกิดมาเพื่อสิ่งที่มันดีกว่านั้ น, นพอคิดอย่างนี้เขาก็ได้สติเลยนะไม่ปล่อยใจให้จมอยู่ในความเศร้าก็พยายามที่จะหาทางนะกระเสือกกระสนนะให้มันออกมาจากหลุมนี้นธรรมชาติคนเราพอมันจมอยู่ในหลุมนี้แล้วก็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 ให้มันมืดลงไปมืดลงไปเรื่อยๆนะต้องตั้งสติแล้วก็ฉุดจิตฉุดใจขึ้นมานะกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวนะแค่กลับมาอยู่กับปัจจุบันนี่มันช่วยได้เยอะละหรือกลับมาอยู่กับกายนะมือเคลื่อนไหวยนะกมือเคลื่อนไหวลมหายใจเข้าออก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 เหมือนกับว่ามันหมดพลังชีวิตแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมนะหมดอะไรตายยากลูกๆเนี่ยก็เคี่ยวเข็นให้กินก็ไม่ยอมกินแล้วก็ไม่ยอมทําอะไรเอาแต่นั่งหรือแม่ก็นอนลูกๆต้องพาไปอาบน้ําต้องพาไปอ่ทําน่นทํานี่เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะไม่มีกําลังจะทําอะไรแล้วแล้ววันหนึ่งเจ้าตัวก็ขับรถลงคู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 ทุกวันนี้ก็สนใจธรรมะนะเป็นคนที่ชักชวนผู้ใครต่อใครให้มาสนใจธรรมะให้มีสตริรู้สึกตัว evet. เวลาคนจมอยู่ในอารมณ์เนี่ยนะมันจําเป็นมากเลยที่ต้องดึงเขาออกมาและวิธีการดึงนะก็คือให้มาสนใจสิ่งภายนอกสิ่งรอบตัวนักปฏิบัติธรรมเนี่ยปัญหานักปฏิบัติส่วนใหญ่คือส่งจิตออกนอกนะแต่สําหรับคนที่มีปัญหาเนี่ยมันชอบ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 หลวงพ่อรู้เลยเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อทอ่านเง็นไงหลวงพ่อท่านที่บอกว่าท่านที่มาคุยเรื่องปฏิบัติก็คุยเรื่องว่ามีโยมมีลูกกี่คนนะและลูกนี่แต่งงานหรือยังแต่งแล้วครับมีหลานหล า, านกี่คนเขก็ตอบไปคิดถึงหลานไหมนะบางทีท่านก็พูดแยง้งนะพูดแยง้งหรือตั้งคําถาม ก็ชวนคุยเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องหลานนะคุยไปคุยมานี่มือของโยมอนั้นตกเลยกลับมาเป็นปกติและยังไม่รู้ตัวนะก็ยังคุยต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสักพักอ่ะมือตกแล้วเหลอเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อทําคืออะไรก็ชวนเขาเนี่ยนะออกมาสนใจภายนอกก็จิตเนี่ยมันเพ่งเข้าไหนจิตมันจมเข้าไปในอารมณ์นะนะนะเพราะนั้นเนี่ยนะ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 ดึงออกมานะถ้าคนที่มีสติเนี่ยเขาก็จะให้สติเนี่ยดึงจิตออกมาแต่ถ้าหากว่าสติอ่อนเนี่ยต้องอาศัยตัวช่ว ย, ยแต่หลักการก็เหมือนกันกนะ็คือต้องดึงจิตออกมาไม่ว่านักปฏิบัตินะที่จมอยู่ในที่มัดเพ่งเข้าในหรือว่าคนคนชาวโลกทั่วๆไปที่จมอยู่ในความเศร้าเนี่ยความโกรธความแค้นนะมันจําเป็นมากนะที่จะต้องดึงจิตออกมา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 คำนิยวเผื่อ่อนานนี้นะกลับฮะ